คือตรงแยกที่เราจะไม่จงใจแยกเหมือนแต่มันจิตมันมีปัญญามันรู้ว่าถ้ามันไหลเข้าไปแล้วมันปุ๊บมันจะไม่เข้าแล้วนี่ถ้าเราจงใจแยกจงใจไปทุกทีอะไรนี้เดี๋ยวมันจะเครียดขี้นจะเป็นงานเป็นภาระมากที่จะต้องคอยระวังคอยรักษาจิตใจก็จะเครียดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทําโดยตั้งเป้าว่ามันจะต้องแยกตลอด เราทำเพื่อจะคอยสังเกตเท่านั้นเองว่าถ้าเขาไหลเข้าไปแล้วเขาจะทุกข์นี่ถ้าใจมันเห็นว่าถ้าไหลเข้าไปแล้วทุกข์เนี่ยต่อไปเขาก็เลิกไหลไม่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องขมักขมนนต่อต้านไม่ให้เข้าอะไรนีง ใ, ใจเราเครียดอาจารย์ปฏิปัติแล้ํทำไปให้มันสบาย ก่อนทุกคือก็รู้ว่าทุกแต่ว่าก็ไม่ส่ายทุกกระทบก็ดูกันไปนะครัคิดว่ามันมันมันมันเีป็วิถีประวัติศแต่พอเอาขั้นใจมาพักก็รู้ว่าถ้าเป็นนี้งไปเป็นอย่างเรื่อยๆอ๋อคือที่อาจารมาบอกเนี่พื่อให้สังเกตละเอียดเข้าไปได้อีกเห็นต้นทางของมันแต่ไม่ใช่ว่าต่อต้านมันหรอกแต่ว่าถ้าจิตติดเกาะจิตไปเกาะไว้ ม, ม, ม, มันอึดมากตอนกลางเนี้ยมีวิธีง่ายๆคุณเถอะคงไปดูมันลืมมันไปซะชั่วคราวนะมันก็หลุดเลยไม่ต้องไปจงใจไว้จะ ห, ใ น, ใจหนีไปหาลมหายใจยที่ที่มันเข้าไปเกาะเพราะว่าเราไปดูมันเข้าพอเราไปดูไปเนี้ยจิตก็ไหลตามเข้าไปแต่คิดว่าไปดูลมหายใจทำดูก็ไม่ได้จงใจจิตมัปนอนแช่เงี้ยไม่เป็นไรหรือเ่าใกให้ความรู้คือว่ามันก็หายไปหายไปรู้แบบบางครั้งพอมัน มีมากๆเขามาเก็เกิดปีกๆขึ้นมาเขาเกิดปิกๆมไปทุ่งๆนี่มักายไปเหมือนนเ้มาดูัีกๆคือถ้าถ้าใจเขาเดินไปเองไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราจงใจสะพองจงใจรักษาไม่อยากให้ไหลเข้าไปไหลเข้าไปพยายามดิ้นรนจะหลุดออกมาอยากหลุดใจจะเครียดในการปฏิบัติเราทำเหมือนทำเล่นๆทำง่ายๆ ถ้าทำแล้วมันจะสบาย ถ, าถ้ารู้สึกไม่สบายเนี่ยแปลว่าไม่ถูกแล้ ว, ว, วกม็มันตัวทุกข์ที่าอยู่เรามมติาจิตมันไม่เปนนเนี่ยมันอยากไปดูตัวนั้นเราก็ดูไปอย่าง น, น, านี้มันจะมีผลเสียคือคุณเฉิมภูสังเกตที่จิตเรานะไม่ใช่ดูแค่ัวดทุกข์นีที่จิตเนี่ยจิตอาจจะปฏิเสธจิตไม่อยากจิตอยากจะหลุด เ, เนียถ้าดูถึงตัวตัณหาเนี่ยตัวนั้นหลุดหมด เพว่าให้ตัวที่ไปเกาะกันอยู่เป็นคุกขึ้นมาเนี่ยเขาจิตมันไปทํางานเข้าไปเกาะไปยึดถือคุกพันมันไม่มีเหตุมันมีเหตุเหตุเหตุก็คือตัวตัวตัณหาตัวความอยากเมื่อเราเช่นฝักเข้าไปกอดคุกอยากหลุดอยากหลุดเนี่ยก็หาทางจะหลุดเช่นเอาไปจับลมหรือทําอย่างนู้นทําอย่างนี้ที่เรามีตัณหาแทรกอยู่เบื้องหลังแต่ถ้าคุณเฉริมพงศ์เห็นว่ามีความคุกอยู่จิตอยากจะพ้นจากคุกเห็นที่ความอยาก เฉลิมภูมไม่ต้องดูตัวทุกตัวตัวหนักๆนั้นแล้วดูตัวอยากเลยพอตัวอยากขาดตั้ตัวนั้นก็หลุดไปเลยคือถ้าควรเข้าเตนถึงตัวตันหาตัวอยาบแล้วก็พบมันก็ขาดถ้าตันหาเป็นผู้สร้างพบนี้พวามจิตเราผีความทุกข์เราก็ไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็เลยตรงใจมันจับลมอนี้ล้ก็ไปสร้างพบอีกตัวหนึ่งพบนี้เปรี้ยดตัวตัวเก่าจิตให้จะไหลไปเกาะลบ ถ้อย่างไรล ต, ต้องมานั่งแก้ทีหลังแต่ถ้ามันทุกข์มากไม่ไหวแนละ้วต้องการพักนะก็เป็นอีกเรื่องตรงใจไปจับลมแ ต, แต่ทางที่ดีรู้ทันจิตที่มันไม่เป็นกลางจิตมันไม่ชอบไม่ชอบทุกข์นี่ถ้าเราปฏิบัติโดยเราตั้งเป้าว่าจะไม่ให้เข้าช่องนี้อันนี้ยิ่งลำบากหิวหักนี่เราไม่ได้ปฏิบัติมันมีตันหานํา มีทิฏฐินำว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีแต่ว่าเราดูเข้ามาจนถึงต้นตอของมันเห็นความทุกข์อยู่เห็นกิเลสอยู่ใจเรามีปฏิกิริยาไม่ชอบมันตัวทุกข์ตัวกิเลสกลายเป็นอารมณ์อันหนึ่งที่จิตจะรู้ว่าจิตเกิดปฏิกิริยาไม่ชอบจะรู้ทันปฏิกิริยาของจิตต่ออารมณ์เรปฏิกิริยาขาดไปจิตเป็นกลางจิตยกวางอารมณ์ คันทํานองเดียวกันกับตาเห็นรูปหรือเราเห็นดอกไม้สวยดอกไม้เป็นอารมณ์ เ, เห็นดอกไม้สวยนี่ยังไม่มีควาหมายอะไรแต่พอะจิตเกิดความยินดีเนี่ยให้เรารู้ความยินดีไม่ต้องดูที่ดอกไม้เมื่ออาทิตย์ก่อนมนีผู้ชายคนหนึ่งมานั่งฟังอยู่ชั่วโมงพอเลิกแล้วก็พานเข้ามาบอกเลยบอกว่าเข้าใจแล้วที่ท่านอาจารย์สอนต่อไปนี้เวลาผมเดินไปได้กลิ่นดอกไม้หอมผมจะรู้ว่าดอกไม้หอม บอกไม่ใช่ไม่ได้รู้อย่างนั้นไม่ใช่รู้ดอกไม้หอมแต่ว่าดอกไม้หอมจิตเกิดราคะขึ้นมาจิตยินดีรู้ว่ายินดีนี้พอเห็นราคะปั๊บเนี่ยราคะเป็นสติปิยาต่อดอกไม้หอมแต่เสร็จแล้วพอเราไปรู้ราคะราคะก็กลายเป็นอารมณ์แทนดอกไม้หอมจิตก็องเกิดสติปิยาต่อราคะอกเกลียดมันอยากลกมันรู้ทันความอยากของเรา เกิดปฏิกริยาแล้วรู้ทันหมายความว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เราลงไปแช่อยู่กับอารมณ์มได้กลิ่นหอมก็ไปจดจ่อแต่เรื่องหอมลืมจิตตัวเองตัวทุกข์นี่ก็เหมือนกันในหลวงพงศ์เราไม่ไปแช่อยู่กับตัวทุกข์เที่ยตมาบอกว่าดูให้เห็นมันไหลเข้าไปหมายถึงอย่าไปหลงแช่อยู่กับมันนะมันไม่ใช่จิตหรอกไม่จิตกำลังมีปฏิกริยาเช่นไม่ชอบมัน ถ้รู้ทันปฏิกริยาตัวนี้ไปขาดไปเป็นกลางจิตจะไม่ลงไปอยู่แช่อยู่จิตจะถอดวามตัวเองขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นกลางมีบางคนสั่งอให้รู้ตามความเป็นจริงน้าของนึกนะรู้แล้วตอนนี้เวลาเห็นพัดลมก็รู้ว่าเป็นพัดลมเ <c oughs> อผู้ชายนั้นบอกว่าได้กลิ่นดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมไม่ใช่นะทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่ เห็นทับลมแล้วพอใจไหมรู้ว่าพอใจเห็นดอกไม้หอมพอใจรู้ว่าพอใจเห็นคนนี้เกลียดรู้ว่าไม่พอใจรู้รู้รทันปฏิกิริยาของจิตเนี้ยใจเป็นกลางเนียใจจะวางขับถอดเลอที่เราไม่ต้องไปดึงท้อออกมาส่วนการหลบไปทาสมรถิถ้าจาเป็นก็ทาได้คุณครูทำเพื่อพักผ่อนแต่มันไม่ใช่วิธี วิธีก็คือเราควรเข้าหาตัวจิตของเราโดยการรู้เท่าทันปฏิกิริยาแต่อย่าไปดูตัวผู้รู้นะั้นอยู่อยู่ไปจับตัวผู้รู้ไม่ได้เสียเลยแต่เป็นสมถะอีกแบบหนึงตรงนี้คุณเฉลิมพเข้าใจไหมคือเอี่ยงใจเราลงไปแช่แต่เดิมเราก็คิดว่าต้องดูไปเรื่อยๆเยงเขาหลุดเอ ง, งจริงเราไปเสียเวลาแช่อยู่แต่ถ้าเรารู้ทันว่าจิตไม่ชอบมันอยู่เนี่ยจิตกาลังลุ้นว่าเมื่อไหร่จะหลุด การที่จิตไม่ชอบมันนั่นแหละไปเลี้ยงเหมือนไว้พอเรารู้ทันว่าจิตไม่เป็นกลางนี่นะจะเป็นกลางขึ้นมาตัวนี้ร่วงไปหมดหมดที่จะตอบสอนตัวเองขึ้นเองมาดูวิธากาลจิตดูอาการดูปฏิกิริยาดูอาการดูพฤ ต, ติกรรมดูจิตเป็นมอไม่เห็นไม่ได้ดูคือตัวจิตไี่ได้คือทีแรกเราการดูจิตมันก็ดูตั้งแต่หยาบหยาบจนละเอียด เริ่มแรกเลยก็อาจะเห็นแค่ความรู้สึกทั้งหลายเช่นความรู้สึกปลุกความรู้สึกทุบตัวเวทนาความรู้สึกโกรธความรู้สึกโลภความรู้สึกหลงความรู้สึกผ่องใสเบิกบานเป็นบุญเป็นกุศลตัวสังขารที่แรกเราเห็นตัวสภาวะที่ชิกชสังขารนี่ตัวเวทนาเห็นเป็นตัวตัวนี้ถ้าเราปฏิบัติมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นพฤติกรรมของจิต พอมีสภาวะอันนี้เกิดขึ้นจิตมีปฏิกิริยามีการทํางานอีก mm hmm. เช่นเกิดชอบไม่ชอบขึ้นมารู้ทันแล้วตาอมารู้ทันอีกจิตไหลเข้าไปก็รู้จิตผออัดผ่อนมาก็รู้รู้ทันพฤติกรรมครับถ้าเรารู้ทันพฤติกรรมของเขาจใจเราเป็นกลางไม่เป็นลงไปแช่อยู่ในอะไรอันใดอันหนึ่งหรืไม่ปฏิเสธอะไรอันใดอันหนึ่งลงไปแช่ก็คือสุดโต่งอีกขั้นหนึ่งปฏิเสธก็สุดโต่งอีกขั้นหนึ่ง แต่รู้เท่าทันพฤติกรรมรู้เท่าทันปริยาการจิตไม่ชอบอยากอยากหลุดจากทุกข์กลางอกเห็นตรงนี้ป๊อขาดไปมันจะหลุดออกมาเองว่าไอ้ตรวจทุกข์นะ่น่ะต้องเกิดจากปัญหาจิตเราไหลเข้าไปเกาะความทุกข์ก็เกิดจิตอยากจะหลุดออกมาเนี่ยึงเติมเชื้อให้มันเลยใช่เป็เงาของจิต ครูบาอาจารย์สอนให้รู้พื้ส่งจิตเช่นกันทั้งหมดพฤติกรรมสิตทธิหมดพฤติกรรมเนี่ยคือจิตที่เขาตอบถอนออกมาไม่ส่งนอกไม่ส่งในไม่ทํางานนั่นเองไม่ทํางานทําหน้าที่รู้สักว่ารู้เฉยเฉยมันต้องอมหมดเหตุที่เกิดทุกข์ใช่ใช่หมดเหตุที่เกิดทุกข์เพราะเหตุที่เกิดทุกข์ก็คือการที่จิตไหลเข้าไป น, นั่นเองจิตมีตันาหาตันหาหกอย่างโดเฉพาะธรรมตันาหาตันหาที่จะเข้าไป รู้อารมณ์ทางใจอยากรู้อารมณ์ทางใจหรือธรรมอารมณ์เรียกว่าธรรมตันหาทันทีที่เกิดตันหาในยเฉะธรรมตันหานั้นทุกเกิดทันทีพอไหลลงไปคุณจะพงสังเกตไหไม่ ไ, มไมหลไปเฉยๆไหลไปทํางานนะเช่นไปยินดีไปยินร้ายปไปเศร้าไปดูไปจ้องไปกําหนดไปแก้ไปรักษาเนี่ยคือการทํางานทั้งหมดเ่ย นี้ถ้าเรารู้เท่าทันการทางานนการทำงานขาดเนี่ฉดหมดพฤติกรรมหมดเหตุนี่พอมันหมดเหตุนา น, นก็สอดถอนขึ้นมาสมาไหลเข้าไปทันี้เราจะเห็นทุกชัดนะแต่เดิมชีวิตของเราอยู่ในโลกเนี้ยคล้ายๆเทียบก็คล้ายๆว่าบ้านเราบ้านเกิดเราเนี่อยู่ติดที่ทิ้งขยะของกอธโมยเหม็นเหม็นนะแต่เราอยู่ทุกวันไม่เหม็น จิตของเราก็เหมือนกันจิตของเราไหลถ้าไปเกาะอยู่กลางอกเนี่ยมีทุกข์ทั้งวันคนในโลกเขาทุกข์หมดนะเป็นะดรนผมก็เป็นเกาะอยู่เนี่ยแต่เขาไม่เคยเห็นไม่เห็นทุกข์ก็จะรู้สึกว่าสุขบ้างทุกข์บ้างแต่อย่างที่เราย้ายบ้านออกมาชั่วคราวแล้วกลับไปบ้านข้างกองของอยะนะจะเหม็นกว่เาเก่าจิตของเราก็เหมือนกันเพอมันเคยถอดถอนออกจากกองทุกข์ชั่วคราวทุกข์แบกนี้ชั่วคราว้ามันต้องกลับเขาก็ยังไม่ไดเห็นทุกข์ชัด เพราะงั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นคือไม่ถอดถอนออกมาจะเห็นภูมิได้ไม่ชัดสัามมาสมาธิหรือความตั้งมั่นของจิตเนี่ยยิ่งเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาทําให้เห็นภูมิพระพุทธเจ้าถึงสอนเนี่ยศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาจิตสิกขาก็คือการฝึกฝนจิตใจยังไงให้มันถอดถอนจากกองภูมิชั่วคราวทีสองทางอันหนึ่คําสมถะหรือทำฌาน จิตของเราจะเดิมแกว่งอยู่กัอารมณ์สารพัดให้ไม่อยู่อารมณ์มันเดียวในสุดจับได้ว่าอันนี้จิตอันนี้อารมณ์แยกผู้รู้ออกมาตาอมาผู้รู้ดับไหลก็้าไปก็จะเห็นว่าทุกเกิด อ, อีกพวกหนึ่งทําฌานไม่ได้อย่างคุณเฉริมพงษ์ทำได้มีผู้รู้เคยมีผู้รู้มาไหลลงไปแล้วคุกเกิดอีกพวกหนึ่งก็คือรู้ว่าจิตเนี่ยไม่ตั้งมั่นจิตไหลยอยู่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ พอรู้ว่าจิตไหลไปจิตจะตั้งมั่นเองเช่นพอเรารู้ว่าเผลอเนี่ยเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาเองจะรู้สึกไหมมันก็ตื่นขึ้นมาความที่เผลอนั่นแหละคือจิตที่มีสัมมาสมาธิะจะเดินฌานมาหรือว่าจะใช้สติเข้าไปรู้ทันความไม่ตั้งมั่นออกมาแล้วมีผลนันเดียวกั น, นอยู่ไม่นานไม่ทรงอย่างพวกที่เขาเล่นฌานมันะจะอยู่ชัว่วงขณะเขาเร็ยกคณิกาสมาธิแต่ถึงเรา เดินฌ า, านมาแล้วเป็นเจะมงค์ถึงท่านเลยมีปัสานะาก็ราะมันทำในคณิกะคือพระจิตตั้งอยู่นี่พระจิตไหลแวบลงไปนะแล้วจะเห็นว่าทุกเกิดการที่พระจิตตั้งมั่นแล้วต่อมาไหลไปแล้วเห็นทุกเกิดนะี่ก็จะรู้ว่าทุกเกิดได้ยังไงนี่ตัวปัญญาติดขาที่จะมาเรียนอริยสัจนั่นเองส่วนเบื้องต้นนี่ไปดูว่าอารมณ์แต่ละอันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น น, าานิสัยดูต้นๆถ้าจิตจะได้ผับถอนออกมา จะ ถ, ถนไหลเข้าไปเห็นทุกชัดอีกหืออยังดูไปเรื่อยๆจะเห็นว่าตัวจิตเองอแปรปรวนจะทาลายความยึดจิตที่หลังเป็นประโยชน์อีกอีกชั้นเพราะนธรรมะนะเหมือนขนมชั้นเป็นชั้นชั้ชั้ น, น, นถ้าธานิกาก็ไม่แช่แล้วนะถ้าธนิกาก็ไม่แช่แล้วนะ มันเข้าไปอีก <c oughs> เพราะว่ามันเห็นทุกข์ไม่พอมันไม่รู้ว่าเข้าตรงนั้นทุกข์เพราะงั้นบางทีจะสังเกตไหมว่าเราเที่ยวสแสวงหาอารมณ์เพราะเราอยากได้อารมณ์ที่เป็นสุขอย่างเช่นเราสแสวงหาความสงบใจมันลึกๆมันอยากได้คือใจยังอยากได้อารมณ์บางอย่างใจยังเกลียดอารมณ์บางอย่างรักอันนึงเกลียดอันหนึ่งเพราะอะไรลึกที่สุดเลยก็คือความรักจิตของเรา ความบวงแผนความยึดถือความเห็นว่าจิตเป็นเราแล้วก็ยึดถื อ, อไว้เหนียวแน่นเมื่อเมื่อจิตเป็นเราเนี่ยอยากให้เขามีความสุขเราอยากให้เขามีความสุขก็ต้องทํางานเห็นงนี้มีปัญหาต้องเสริมการทํางานคือสร้างปบสร้างปกสองแบบเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ที่เป็นสุขอย่างเที่ยวผลักอารมณ์ที่เป็นทุกข์ให้กเด็นออกไปอย่างสังเกตไหมอย่างเรามีทุกข์อยู่เนี่ยเราอยากผลักเพราะลึกๆเลยคือเรารักจิตจิตคือเรา เวลาเรียนเนี่ ย, ย, ย, ยะะะะะะจะขุบปัญญาขอเราจะทวนทวนขึ้นมาจนถึงทําลายความยึดจิตเจ้าหมายสุดท้ายเลยที่มันยึดจิตอยู่เมื่อไหรก็ยังเกิดทันหามยังเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเราเป็นตัวดีตัวพิเศษก็คือเมียวิชาอยู่ไม่รู้ว่าจิตเป็นตัวทุกข์แบบใดที่ยังไม่เห็นว่ากายกับจิตเป็นตัวทุกข์นะพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรคือทุกข์กูปารันขันคือทุกข์ก็คือกายกับใจกายกับจิตนั่นแหละตัวทุกข์ นี้คาสติปัญญาเรายังแทงอริยสัจนี้ตลอดเราไม่เห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์เราเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวดีเป็นตัวต้องรักต้องสงแขนเพราะมันดีเนี่ยเราก็ อ, อยากหาอารมณ์ที่ดีมาให้มันกินอยากขับอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปเกิดการทํางานทางใจการทํางานทางใจเนี่นทําให้เกิดทุกขทุกข์ที่เกิดจากปัญหาการที่เขาต้องทํางานหนักนี่เรียกเป็นภพนะมีการทํางานหนักอย่าง เราอยู่ในโลกทํางานหนักก็เป็นทุกข์ละทางานหนักแล้วไม่ได้ผลงานอย่างที่อยากได้อีกก็ทุกข์หนักซ้อนกัวอีกชั้นหนึ่งจิตก็เหมือนกันอุตส า, าห์ไปเข้ารู้เข้าดูไม่สุขสักทีโอ้ทุกข์จังเพราะน้นทุกข์นีนม้มีทั้งหลายชั้นเนี่ยทุกข์อยากที่สุดก็คือความไม่สมปรารถนาทั้งหลายทุกนขะ์กานกลางก็คือการที่จิตต้องดิ้นรนต้องทํางานในการแสวงหาความสุขในการปัดความทุกขอ์ออกไป ทุกชั้นในสุดเลยก็คือกายกับจิตนี่แหละตัวทุกถ้าอย่างยึดเอาไว้ตรัพย์ใจก็ต้องทํางานหนักเลี้ยงมันอย่ า, นะอยางตรัพนั้นเหมือนเรามีลูกนะลูกเราใช่ไหมต้องทํางานหนักจะเลี้ยงมันเลี้ยงมันแล้วไม่ได้ดีอย่างใจหวังทุกหนักเข้าอีกเพราะฉนทุกมีหลายชั้นนะทุกชั้นในสุดเลยมีลูกก็ทุกแล้วต้องห่วงต้องรักต้องไปทํามาหากินมาเลี้ยงมัน เลี้ยงมันแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่เราอยากมันก็พุกขอีกเเรียนเรื่องทุกข์นี่ยเรื่องเดียวแล้วก็ยอยอยเยอะเลยคอยฝึกคอยดูดูทุกขเยอะแต่ถ้าเห็นพุกขแจ่มแจ้งนะสมูทไทยถูกละเองในขั้นที่จิตของเราปลอดถอนขึ้นมาแล้วปลอดขึ้นมาแล้วเนี่ ย, ยถ้าไหลลงไปแล้วพุกขไหลลงไปแล้วทุกเนี่ยไปจิตนี่เข้าจิตจะตรงอย่อันนี้จะภูมิทำชั้นที่สาม พอมาจะสลัดจิตทิ้งลอยวางจิตเห็นไ่มจิตเป็นตัวภาระยังรักจิตยังเหงแหนจิตแล้วมีภาระงนีจะสลัดจิตทิ้งออกไปนี่คเส่วนเงดูออกไหมเราก็ไปดูทางใจเนี่ยเข้าไปดูทางใจเพราะอะไรเพราะอยากดูอยากดูเพราะอะไรอยากปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติอยากพ้นทุกข์อยากทา้ตวมสุขจิตจะได้ดี จิตจไหลเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปทํางานนี่ส่วนใหญ่ก็คือพอเข้าไปทํางานปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงตอนนี้พอจิตไหลเข้าไปเนี่ยเจ้าตัวไม่เห็นมันไหลอยู่เดี๋ยวเข้าไปเกาะงานอยู่เนี่ยเจ้าตัวไม่เห็นครูบาอาจารย์ท่าเจ้าก็สอนดูไปสิไม่เที่ยงอย่างนู้นอย่างนี้นะหรือพวกหนึ่งก็ทำฌานขึ้นมาให้ขอดออกมาพอจิตตั้งมั่นแล้วก็ให้ให้เห็นเลยว่าความทุกข์เกิดได้ยังไง ถ้าจะพูดไปเนี่ยศาสนาพุทธเราที่ปฏิบัติกันแทบตายเนี่ยเราเรียนเรื่องเดียวเราเรียนเรื่องทุกเรียนว่าทุกเกิดอยู่ที่ไหนทุกเกิดอยู่ที่กายกับใจเมื่อเรามาเฝ้ารู้อยู่ที่กายกับใจมีแต่ทุกกายกับทุกใจ ไ, ไม่มีทุกที่สามทุกมีอยู่กายกับใจเรามาคอยสังเกตว่าความทุกมันเกิดได้ยังไงทุกกายมันเกิดไปตามธรรมดาธรรมชาติ เดี๋ยวก็ผิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เมื่อยมีกายแล้วจะมีบาปเกิดขึ้นแล้วหนีไม่ได้ต้องทุกข์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอรู้ความจริงว่ากายต้องเป็นอย่างนี้นะพอมันแปรเปือนขึ้นมาก็ไม่กุ้นใจเท่าไหร่ดูแลมันไปตามสภาพนี่ทุกขันใจนะทุกขันใจเกิดจากจิตไหลเข้าไปเกาะอารมณ์จิตเทวีนเข้าไปก็คืคคอตัณหาแน่นอนมันมีความอยากมัะะนก็เทวีนเข้าไป เขาไปทำอะไรเขาไปยึดถืออารมณ์ไหมเขาจับอารมณ์ไว้ก็เป็นอุปาทานจิตเขาไปจับไว้จับไว้แล้วก็ไปทํางานเช่นจะรักษาตัวนี้จะปรักตัวนี้มีการทํางานขึ้นมามีการทํางานก็เกิดสาระเกิดหนักๆขึ้นมาความทุกข์เกิดขึ้นในใจถ้าเรารู้ว่าความทุกข์เกิดจากจิตมีตัณหาแต่ไปจิตจะไม่เข้าไปเลยเราไม่ต้องรักษา เมื่อก่อนนี้ปฏิบัติใหม่ๆนั้นไม่เห็นนว่าอริยาศาสตร์มั น, นลึกซึ้งฟังดูเรียนมาทั้งเก็ดเสด็จเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ทำไมมันเป็นอริยาศาสตร์ความจริงแค่นี้ใครๆก็รู้จักไม่ต้องให้พระพุทธเจ้าบอกกายกับใจเป็นทุกข์ใครๆก็รู้ไม่เห็นต้องให้พระพุทธเจ้าบอกปัญหาความอยาก ทำให้เกิดทุกข์ดูไม่ออกความอยากทําให้เกิดทุกข์ต้องไม่สมอยากยถึงจะทุกข์นะีตัวความอยากนะั้นทําให้เกิดทุกข์คนามจริงเกิดการทํางานแล้วถ้ะทํางานก็ทุกข์แล้วแต่สมอยากไม่สมอยากก็ทุกข์แล้วอีตาะละงั้นเราฟังอริยสัจเนี่ยสมัยก่อนฟังแล้วมันฟื้นฟื้นเป็นธรรมมาฟื้นฟื้นโ อ, อ้ธรรมานิลึกจริงๆ ถึงเป็นแม่บทครอบคลุมธรรมะ ม, มือหน่งแมทั้งหมดแค่เปเฉลิมพระสังสเกตออกไปทราบไหมดูออกไนมเรื่องความทุกข์ก็เกิดรู้สึกไหมอึดอัดที่นมาทันทีที่จิตส่งออกความทุกข์ก็เกิดผู้ศึกษาปริยัตยิก็คือเมื่อเกิดปัญหาก็เกิดทุกข์ไงจิวเรียนนี้แยกวงนะมันไม่เปนธรรมาครับไม่เ เออดีแล้วนะานานแปดปีแล้วนีคุณจเจริญโกไปสังเกตพฤติกรรมหังจิตจิตแอบไ ป, ปดูอารมณ์ทางใจจิตไหลไปทางใจมีธรรมะตันหาตันหาเกิดเมื่อไหร่ทุ๊บก็เกิดเมานั้ น, นเนี่ยเนี่ยใส่แล้วไหมไปสังเกตนะ น, นี่เราผู้ปฏิบัติเนี่ย ถ้สติปัญญาเราไม่กล้าแข็งต่อเราไม่เห็นว่าตรงนี้นจิตทางานแล้วเราต้องให้มันไหลไปให้เสร็จก่อนแล้วมันไปทํางานอยู่ข้างในเราถึงจะคิดว่าจิตเริ่มทํางานไอ้จิมตรงนี้แหละต้นตอมั น, ม, นมันไหลไปไหลนะั่นคือตันหานะ่ะทำงานก็คือพบนั่นแะเนี่ยเข้าไปแล้วนะเสร็จสร้างพบพบของอะไรพบของนักปฏิบัติเสร็จแล้วเราก็องคลกแบบนักปฏิบัติ ลุ้นว่าเมื่อไหรเราจะหลุดพ้นเราไม่หลุดพ้นเพราะการทํางานยุ่งยุ่งอยู่ตรงนั้นเราหลุดพ er ้นเพสติปัญญาของเรารู้ว่าจิตไหลเข้าไปไหลเข้าไปแล้วความทุกข์เกิดเราหลุดพ้นเพราะเราเห็นในระยะสั้ไม่ได้หลุดพ้นเพราะไปฝุกคับฝุกผักอยู่ข้างในครับยิ่งยิ่งอยู่ข้างในสักพักหนึ่งเป็นเกณฑไม่ก็หลุดเหมือนกันเพราะอะไรก็เหตุปัจจัยของให้การพบอันนี้มันหมดไปสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุดับมันก็ดับ ไอ้ตัวเนี้ยมีเห็ุมันก็เกิดพอหมดเห็ุมันดับแล้วก็ไปคิดว่าเพราเราไปดูอยู่เนี้ยมันเลยดับเราเลยหลุดออกมาที่จริงไม่ใช่หรอกเรไปยุ่งกับมันทําไมอ่ะ <c oughs> หรือบางคนมันดูไม่ดับสักทีนะอยากให้มันดับอยู่ยีตันหาอยู่ก็คอดูอยู่ด้วยทุกครั้งที่คอดูเข้าไปนันแหละความทุกข์ก็เกิดทุกทีนไม่ดับหรอกทุกทีแล้วเราสร้างขึ้นเรื่อย ตั้งขึ้นทีลักษณะทีละ่ลักษณะเด็กแมสเข้าแล้วเดีย๋ยวมันตรงดูตรงนี้ออกน่ดแต่ตรง น, นี้ต้องใจเย็นมากเลยนะถ้าเราอยากรู้ตรง น, นี้นะก็คือเราหลงเรียบร้อยแล้วเงี้ยสติปัญญาเนี่ยเขาต้องใช้เวลาบ่มต้องใช้เวลาพัฒนาเขาจนกระทั่ทงเขาสามารถรู้ด้วยตัวเขาเองโดยที่เราไม่ได้เจตนา น, านี้ถ้าคุณฉเฉลิมองจําได้ว่าธรรมาบอกว่า เนี่ยจิตเริ่มส่งออกไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปทํางานแล้วเป็นฟุ้งก็คอยดูคอสังเกตว่าเมื่อไหร่จะส่งเนี่ยอันนี้ส่งเรียบร้อยแนละ้วคือหลงทํางานทางใจไปเรียบร้อยแนละ้วแต่ถ้าเป็นเจริมโงคคอสังเกตสภาวะดูเล่นๆเ น, นะนี่ะเนี่ยไหลไม่ทํางานทางใจแล้วรู้ไหลไปทางใจแล้วรู้แต่มาพอเขาไหลสติมันเกิดเองแล้วมันจําสภาวะได้โดยเราไม่ได้เจตนาให้เกิดตัวเนี้ของจริงสติทําขึ้นมาไม่ได้ สติที่ทําขึ้นนะเป็นเครื่องมือของกิเลสหมดเลยมันพุกทันทีอยู่แล้วที่ตั้งสติขึ้นมามันละเอียกว่าอารมณ์มันทุกฝ่ายนะเพราะละเอียดกว่าสมารถบอกเลยว่าเราดูทีแรกเราเห็นตัวอารมณ์สมารถรึกซึ้งที่เรารู้ทันพฤติกรรมของจิตถ้ารู้พฤติกรรมจิตมากๆเนี่ยเราจะเห็นอริยสัจเห็นอริยสัจเนี่ยใจก็จะถอดถอนเองไม่เข้าไปเนี่ยนี่ยผมเตรียมพวงหักดูพฤติกรรมจิต จิตไหลเข้าข้างหนรู้ทันแลเสร็จเข้าไปแล้วจยเสีชนะื่อตา ม, มาบอกนี้ไม่ใช่เพื่อห้ามนะห้ามไม่ได้นะอย่าห้ามนะมีแต่หากสังเกตสภาวะให้รู้ว่าจิตส่งในจิตส่งเข้าข้างในแล้วมีธรรมะตันหาเกิดขึ้นถ้าเรรู้ทันอย่างนี้ซับกแต่สติปัญญามันไวพอมันเริ่มจะไหลเข้าเนี้ยมันจะรู้ทันแล้วจะไม่เข้าเองอหลงเข้าไปเรื่รอยแล้ว <c oughs> ใช่ใช่ใช่ ค, คือรู้อารมณ์ก็ได้รู้เล่นๆคือดูเล่นๆอ่ะอย่าไปตั้งใจดูอย่าไปตั้งเฝ้าอย่าไปจ้องเอาไว้ของเราเส่วนมากพอคิดถึงาการปฏิบัติเราจะทําผิดสามอย่างอันหนึ่งก็คือก่อนจะดูเนี่ยเราตั้งค่าก่อนแทนที่ความรู้สึกตรงนี้เป็นไงรู้ไปเลยยังไม่ยอมรู้ เดี๋ยวปั๊บทำใจให้เรียบร้อยก่อน ต, ตั้งฆ่าเรียบร้อยแล้วถึงจะลงไปดูตอนที่ลงไปดูเนี่ยจิตก็ถลำลงไปแล้ ว, ลวก็ลงไปนอนแช่อยู่เนี่ยระหว่างดูก็ลงไปนอนแช่ก่อนดูก็ไปตั้งฆ่าก็คือบิดเดือนแล้วก็ลงไปนอนจ้องไว้มันก็นิ่งไปหมดเลยไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เห็นเกิดดับเลยความจริงมันไม่เกิดไม่ดับแล้วมันลงไปนอนอยู่เฉยเฉย นี้พอเห็นอารมณ์แล้วพอหลังจากรู้อารมณ์แล้วก็ไม่แทรกแซงไม่ทําอะไรไม่ใช่รักษาอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งปฏิเสธอันหนึ่งนึกใคคิดไปคิดคิดเรื่อ้ามไม่ได้ความคิดถึงจะเป็นบัญญัติก็จริงนะแต่ความบัญญัติจะเป็นอนัตตาเลยถึงห้ามไม่ได้เพราั้นเรารีบหลุดออกจากความคิดเร็วเร็วรู้ว่าหลงคิดไปแล้วขณะที่รู้ว่าจิตหลงคิดเนี่ย อาการที่จิตหลงคิดเนี่เป็นปรามัดนะเรื่องที่คิดเป็นมันหยาดงั้นพอเรารู้ทันว่าจิตเแอบไปคิดแล้วเนี่จะเกิดความรู้สึกขึ้นรู้สึกตัวขึ้นเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเนี่คือเฉลิมคงส่งเข้าไปแหละเต็มที่จะแบ่งให้คุณเฉ ล, ลิมฟงฟังทเฉลิมฟงฟังหลายหลายทีเลยคือตอนตั้งเราฟัง ฟังตั้งหนึ่งเนี่ยเราเก็บได้ส่วนหนึ่งเข้าใจใจมันเดียวรับทั้งหมดไม่ไหวฟังเรื่อยๆ เ, เวลาฟังทีหนึ่งหรือยอย่างพิมุตนะไ่อ่านทีหนึ่งนนะก็ได้ของใหม่ๆเพืเกี่ยนมันไม่ใช่ธรรมะที่คิดๆเอามันเขียนถึงจกักรสภาวะทั้งหมดเลยไลื่ไปรับทางไปทางใจนะเนี่ยถ้าเรารู้ไปทางใจสัดรู้ไปงี้ แต่ว่าไม่ห้ามถ้าห้ามเนียจิตเข้าไปแทรกแซงเราหัดเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันรู้จักสภาวะการส่งในการส่งไปทางใจถ้าจิตรู้สภาวะแล้วพอไหลกลับเนี่ยจะไปสติเกิดเองสติเกิดเองเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาปัญญาทํางานบางทีปัญญาทํางานลักษณะเด่นเด่นเลยปัดปัดขาดสะบ้นหนึงหนหนึ่งหนหน้นทญญาที่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งห แน้าที่ของสติคือจับเอาไว้ดูพอจับขึ้นมาดูได้ปุบสัญญาตัดขาดเลยสติญญาพอแตกทั๊บเนี่ยสัญญาก็ทํางานเลยขาดแต่ถ้าสติญญไปแตกแล้วไม่ขาดสักทีรู้นะทําผิดแนละ้วเพราะสติกับภูสนุนันเกิดร่วมกันไม่ได้สลงไปคิดแล้วนี่ก็คิดทราบไหมจะหัดอย่างนี้นะหักสังเกตสภาวะไม่ได้จับผิดนะ เป็คนโมโหว่าจะผิดเนี่ยไปทำอีกแล้วเรื่องขอนเรื่องเด็กเสียงเขามีความรู้เหมือนจับมีอะไรไปแล้วก็แปลกแล้วก็เลื่อนคือเป็นกลางๆคือจิตเนี่ยมันก็จะทยานไปหากลิ่นใช่ไหมเขาเรียกว่ามีคันทัตัณหามีตัณหาที่จะไปดมกลิ่น ถ้าสติเรารู้ทันขาดแบบนั้นเลยแต่ว่าถ้าจงใจไปเปลรกไว้นะนั่นแทรกแสงเนี่ย เ, เออเนื่อสติต้องเกิดเองเจตสภาวามันก็เริ่มคิดแล้วัรู้ว่าเออตรงนี้หลงละเออตรงนี้หลงล ะ, ตร ง, ลงละตรงที่เห็นสภาวะานั่นใช้ได้แม้สติเกิดเองสติต้องเกิดเองนะถ้าสติแกล้งทาไม่ตัดหมดก า, าไม่ใช่สติตัวจริง ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่หัวขมำแล้วหัวขมำหม อ, อกังตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะข ม, มทางใจนี่ทั้งวั น, นขมำลงไปแช่อยู่ในใจ